เท้าสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดำคู่ต้นโตสู่แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแ่งบางงามตามจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่น บ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมนมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบัาน สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมน้นอมนาสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันาถาสศรัทธา กับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงนี้นี่ก็มีข่าวสารการผลักดันโครงการดิจิตอลวอล l ล็มือนบาทนะครับซึ่งผ่านคอรมอออกมาแล้วนะครับนะรัฐบาลก็เดินหน้าผลักดันซึ่งนายกนพรีเศรษฐาเนี่ยแถลงวนที่23เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาลนะรวมก็มีในส่วนของแกนนําพักร่วมรัฐบาลเข้าร่วมถแถลงด้วยแหะครับนะมีทั้งในส่วนของนายอนุทินชาญวิรุลนะรองนายทุนตีและกาันตีมมหาไทยนะก็เป็นมาจากคูมิใจไทยแหละครับแล้วก็นายพีรพันธ์สาลีลาทวิภาครองนายทุนตีและทุนตีพลังงานนะครับก็เป็นแกนนำนะครับนะแล้วก็มีร้อยเอกธรรมนัฐพมเพล่ทุนตีกเกษตร กับก็พลังประชารัฐแหะครับนะหลายนี้แล้วก็มีนายวรวุจศิลปอาชารัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จากชาติไทยแล้วก็มีพันธุตุลเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมประชาชาติแหะครับนะแล้วก็มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังนะก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบนะเกี่ยวกับเรื่องของการนี้ซึ่งนายจุลพันธะ์ก็บอกว่าครมรับทราบนะ เกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมข้อมูลข้อติจิตความเห็นของคณะทํางานเกีนะ่ยวกับเรื่องโครงการเติมเงิน1นึ่ง่บาทพันดิจิตอ l วัลเลตนะซึ่งกลุ่มทั้งเรื่องกลุ่มเป้าหมายนะที่จะร่วมโครงการนะแนวทางการเข้าร่วมโครงการของประชาชนเงื่อนไขาการใช้จ่ายนะประเภทสินค้าการลงทะเบียนร้านค้ารวมทั้งแหล่งเงินที่จะมาใช้ในดำเนินโครงการ โดยกระทรวงกันคลังทางทกศและสํานักงานรูปบาลเนี่ก็จะไปศึกษารายละเอียดต่อไปนะครับส่วนรัฐมนตรีก็ตอบคําถามเกี่ยวข้อหงายเกี่ยวกับประเด็นอานาจหน้าที่ของทกศนี่ก็ ท, ท, ท, ท, ทํามีข้อสงสัยก็จะส่งให้กฤษฎีกาไปตรวจสอบนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ได้มอบให้ในายจุลพันธ์อธิบายรายละเอียดต่อไปนั่นกะ็เป็นท่าทีของของนายกรัฐมนตรีนะครับนะว่า จะเดินหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้กันต่อนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ก็ต้องต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ซึ่งชาวบ้านนะในส่วนของประชาชนนี่ก็อยากจะได้เพราะว่าจะได้งบมานี่ก็มาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วครับนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขหรือเกณฑ์นะที่เกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็นะซึ่ง เป็นเรือธงแล้วของรัฐบาลเนี่ยนะครับนะก็บอกว่าจะจ่ายให้ครั้งเดียว 1,000 0ื่นบาทเลยนะครับให้กับประชาชนเนี่ยนะครับนะซึ่งวงเงินที่จะมาใช้ในโครงการก็5 0 0แสนล้านใช้จากแหล่งงบประมาณนะเพราะฉะนั้นนี้ก็ใช้งบประมาณปีสองพัิบหสิดและห8ิดควบคู่กันไปแบ่งเป็นสามส่วนอันแรกเลยก็คืองบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพสิดวงเงินแสน 52,700 นล้านวางั้นนะครับนะแล้วก็ใช้เงินจากมาตรา28ของทกศวงเงินประมาณ1 0 0 0 0 0สน0ล้านบาทนะครับนะแล้วก็จะมีการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2067อีกประมาณ1สน0 0 0ดล้านนะครับซึ่งเงื่อนไขนะของคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ก็บอกว่าเป็นคนไทยอายุ เกิน16ปีไม่มีเงินไรายได้เกิน 8.4 แสนบาทต่อปีภาษนะีก็ว่าอย่างนั้นนะครับรัฐบาลนะครับนะก็แล้วก็กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งในประชาชนกับร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นการใช้ใจ่ายเงินเนี่ยเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอก็คือคนไหนอยู่อำเภอไหนก็ไปใช้ใจ่ายกับร้านค้าในอาเภอนั้นโดยกำหนดให้ร้านค้า ขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกลุ่ม1 น, นะครับกลุ่มที่2นี่ก็เป็นการใช้ใจ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านคา้านะตรงนี้ไม่มีข้อกําหนดเชิงพื้นที่นะครับนะก็เป็นการเอาร้านค้าเล็กไปซื้อกับร้านค้าปีกร้านค้าย่อยก็ได้นะครับนะการใช้ใจ่ายก็จะทําให้ได้หลายรอบหลายรอบก็จะทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพว่าเชื่อว่าอย่างนั้นนะก็เป็นการ แปลงสินค้านะครับต่างๆนะแล้วก็อ่เป็นสินค้าที่จะใช้จ่ายนี่ก็เป็นสินค้าทุกประเภทยกเว้นสินค้าอบายามุกนะสินค้าออนไลน์แล้วก็พวกน้ำมันนะว่าอย่างนั้นนะครับห ส, สามวิธีการใช้จ่ายใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นมาเองโดยสำนักงานพัฒนาดิจิทัลนะนะแล้วก็มีการใช้ผ่านซ u เปอร์แอนะเพราะนั้นนี่ก็ เขว่าไปจะมีแอปขึ้นมาใหม่ละครับนะแล้วก็คุณสมบัติของร้านค้านะฮะที่จ ะ, ะมาะเบิกเงินเนี่ยก็จะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีนะก็คือจะต้องอเก็บภาษีเข้ารัดด้วยนะครับเป็นการเพิ่มรายได้ให้รัดนะแล้วประชาชนเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการได้ในแต่มาที่3ามร้านค้าก็ร่วมในแต่มาที่4นะี่นะก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นเกณฑ์ น, นะที่ ที่ในส่วนนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับว่ า, วาจ ะ, ะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกันมากขนาดไหนเพราะตอนนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะซบเซานะเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในรัฐบาลก็พยายามที่จะมีโครงการต่างๆเข้ามานะในการที่จ ะ, ะขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะตอนนี้นี่ถ้าเราไปเดินตามห้างร้านหรือว่าตามตลาดอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะเงียบนะครับนะเพราะว่า ในส่วนของเศรษฐกิจมีปัญหาประชาชนก็จ ะ, ะลดการใช้จ่ายลงแหะครับระมัดระวังนะก็ทําให้การใช้จ่ายการหมุนเวียนงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะจะน้อยนะเพระเาะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคงจะต้องไปกระตุ้นนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจให้ให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจแล้วก็มีกําลังซื้อนะจะได้เข้ามาหมุนเวียนนะเพระเาะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เป็น โครงการเรือธงแครับของของรัฐบาลใ น, นการที่จะพักดั น, นโครงการนี้ออกมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่เราจะมาพูดมาคุยกันนะครับนในช่วงนี้นะครับอากาศร้อนๆรับฟังเพลงครับ เมื่อฝนหยุดตกเสียงนกเฉยแจ้วิ่มาเป็นแถวเป็นแนวสุขสัน์แต่ฉันขาดเธอมาพร่ำเพรอรำพันเธอไปจากฉันอยู่ใน อคอยท่าสองปีไม่เจอเข้าสู่ลมร้อนก็ยังอนองลเมเลากจน่าฝนเธอเธอก็ยังไม่ม า, มมาวันนี้ฝนตกเียงนกเฉยแจ้ว เ, เ, เธอกลับมาแล้วโอแม่แก้วกาด้าเธอมาบอกฉันว่าโสกันโศ i o t e o n ตกเสียงลกใจใจโ้เธอกลับมาแล้วโอแม่แก้วการด้าเธอมาบอกฉันว่าโศกันโศกตาแต่แกนเธอมาเป็นน้ำตาหรือนะ้ มาพูดมาคุยกันต่อนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารนะที่น่าสนใจนะครับนำะมามาพูดมาคุยกันการลงทุนในบ้านเราเนี่ยตอนนี้เนี่ก็บอกว่าการลงทุนเนี่เพิ่มมากขึ้นมากเลยจากการเปิดเผยของนางอลา ม, มน์ซัพทวีทำอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าตอนนี้นี่ต่างชาติมาลงทุน ในบ้านเราเนี่ยเงินลงทุนเกือบส0 0 0ล้านแล้วนะครับนะอันดับแรกที่มาก็คือญี่ปุ่นมาลงทุนคิดเป็น 22% นะของจำนวนธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนนะก็เงินลงทุน 19,000 กว่าล้านอย่างธุรกิจโฆษณาบ้างผลิตไฟฟ้านะโซล่าเซลอะไรต่างๆนี้อันดับ2คือสิงคโปร์นะมีบริษัทมาลงทุน32รายคิดเป็น 18% เงินลงทุน 3,000 กว่าล้าน นะครับอย่างเช่น เ, เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจฟื้นฟูสุขภาพนะหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรต่างๆอันดับ3คือสหรัฐอเมริกานะมาลงทุน 16% เนะเงินลงทุนพันกว่าล้านนะครับนะก็มีเน้นทางด้านธุรกิจทางด้านบริการทางวิศวกรรมการบริหารการให้คำปรึกษาอะไรทำนองนี้อันที่4คือจีนนะครับเข้ามา20ลรายเงินลงทุน 2,800 กว่าล้านก็เป็น ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายนะการให้บริการนะอะไรต่างๆนะครับอันดับ5ก็คือฮ่องกงมาลงทุน1ิเลายเงินลงทุนพันกว่าล้านเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของค้าปลีกอะไรต่างๆนะครับแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องติดตามนะาการลงทุนมากก่เกิดการจ้างงานนะเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวเร็วนะครับนะก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับ ในขณะที่เกี่ยวกับเรื่องของนะการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยหันมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนะในช่วงสงกรานเนี่ยนะครับนะนะก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี่จัดนะเทศากาลสงกรานเกือบทั้งเดือนลเดือนเมษาเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีต่างชาติมาม า, มาเที่ยวมากนะครับเราจะเห็นนะครับนะว่าทั้งจังหวัดหลักๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนะเชียงใหม่ขอนแก่นภนะูเก็ต พัทยานะหรือรรเมืองท่องเที่ยวต่างๆนี่ปรากฏ ว, ว่ามีนักท่องเที่ยวนี่เพิ่มจํานวนมากนะจากทั้งยุโรปจากทั้งเอเชียนะครับนะมาหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแล้วกท็ที่มากเลยเป็นพิเศษก็คงจะเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นและเทอรนองนี้นะครับจากการเปิดเผยของนายชัดทันกุญชรนุยญาลองผู้ว่าการด้านการตลาดครับของทอทอ ท, อทอก็บอกว่า นักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนะวันหยุดเทศกาลและช่วงวันแรงงานเนี่ยวช่วงวันที่ 26-5 ถึงพฤษภา1นี่วันนี้ก็นักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวในเมืองไทยเกือบล้านคนประมาณ 990,000 คนเว่าเั้นเพิ่มเป็น 29% ของช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งกาจะมีรายได้เข้ามาประมาณ 32,280 ล้นนว่าอย่างันั้นนะครับนะเพิ่มขึ้น 35% เนะซึ่ง นักท่องเที่ยวหลักที่เข้ามาในช่วงนี้ก็คือจีนกับญี่ปุ่นนะเพราะมีวันหยุดยาวติดต่อกันซึ่งตรงนี้นี่ก็จะทําให้มีเกิดการใช้จ่ายกันนะในช่วงนี้กันจํานวนมากนะซึ่งตรงนี้นี่ก็คงอาจจะต้องดูนะครับนะว่าอาจจะต้อนรับขับสู้กันอย่างไรคือนักท่องเที่ยวก็คงจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยแล้วครับนะเพราะถ้ามาเที่ยวในบ้านของเราแล้วก็ทํามีความปลอดภัยเขาก็อยากจะ เข้ามาท่องเที่ยวนะในในบ้านเมืองนะของของเรานะครับซึ่งคนไทยก็มีอัธยาศัยไม่ตีดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนรับขับสู้เพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะครับแต่ที่เราจ ะ, นะ ก, ระกระจายการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆนะครับนะในในพื้นที่จังหวัดจังหวัดหลักจังหวัดรองนะฮะอยู่ตามภูมิภาคอื่นๆที่นักท่องเที่ยวยังไปน้อยอาจจะต้องบันเน้นนะอาจจะเป็นการท่องเที่ยวชุมชนนะส่งเสริมให้ นักท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตชมวัดศิลปะวัฒนธรรมชาวบ้านในท้องถิ่นก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างแถวภาคอีสานนี่มีการท่องเที่ยวน่ในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางอริยธรรมขอมนี่ก็ได้นะครับแถวอีสานใต้นี่ก็พอมีปราสาทหินที่เก่าแกอ่อยู่หลายอันแล้วครับก็ลากกันไปนะต้องให้น้องท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร์ก็ไล่มาต้อง คือก็ตั้งแต่สีเทพแหะครับนะที่เพชรบูรณ์ซึ่งเป็นมรดกโลกและเป็นในส่วนของสถานเป็นสถานโบราณสถานตั้งแต่สมัยทวารวดีมาจนถึงสมัยยุคนครวัดนะะยุคขอมนะแล้วก็เชื่อมโยงมาที่พิมายของโคราชแล้วมาที่พนมลุงเมืองต่ำบุรีลำนะครับนะก็ไล่ไปนะครับนะ่ึงนี่ก็มีประัศาสตร หินสมัยยุคอาณาจักรของโบราณนี่มากนะที่สุรินทร์นะก็จะมีนะครับนะในส่วนของสีขอละพูมิแล้วก็สีสะเกตก็สะกําแพงใหญ่ไล่ไปจนถึงอุบล น, นะครับก็ไล่ไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่นะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอมนี่ก็จะสิ่งที่ดีเชื่อมลงไปจนถึงนครวัดนะซึ่ ง, งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแม่เหล็กระดับโลกไว้แล้วนะครับนครวัดที่เสียมเรียบนะกัมพูชาส่วนทางอีสานเหนือนี่ก็ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยหลากหลายแล้วครับนะในส่วนของผ้าไหมบ้างนะครับในส่วนของในส่วนของสถานเกจิอาจารย์ต่างๆดังๆนี่ก็อยู่แทบจังหวัดทางอีสานเหนือนะแล้วก็จังหวัดริมแม่น้ำโขงนี่นะครับนเน้นวัฒนธรรมไทยลาวนะครับ ก, ก็มีเป้าหมายที่นักท่องเที่ยว สนใจนะดังดังเด่นเด่นก็มีพระธาตุพนมที่นครพนมนะครับนะก็เป็นสถานที่ที่เขารบทั้งไทยลาวแล้วครับนะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปกราบไหว้บูชากันมากนะครับนะแล้วก็ไล่มานะครับนะมีพระเกจิดังนะในในส่วนของแต่ละจังหวัดที่บึงการเนี่ยก็มีหินสามวาเนี่ยนะครับนะซึ่งก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่แปลกนักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวกันมาก นะครับนะแล้วก็มีวัดวาอารามมากนะแถวอุดรแถวหนองบัวลำพูนะจังหวัดเลยนี่ไม่ต้องห่วงแล้ครับนะทั้งมีทั้งธรรมชาตินะที่งดงามภูกระดึงนะแล้วก็รวมทั้งในส่วนของสายธรรมะนี่ก็มีมากนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็ไล่ไปที่ขอนแก่นนี่ก็เป็นเหมือนเมืองหลวงอีสานแล้วครับนะก็มีการวัดว า, ารามแล้วก็ยังมีเทศกาลอะไรต่างๆกันมากนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ คงจะต้องกระตุ้นนะส่วนส่วนบุรีลำนี่ก็ย่างอย่างที่บอกแล้วครับว่าเส้นทางอรารยธรรมของพาดผ่านบุรีลำพนมลุงกับเมืองต่ำนี่ก็เป็นจุดดึงดูดอยู่แล้วรวมทั้งในส่วนของสนามกีฬาสนามฟุตบอลสนามแข่งรถก็เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวนะใ ห, ให้มาเที่ยวบุรีลำนะทาอย่างไรที่จะมีการกระตุ้นให้ชุมชนเนี่ยเขามาร่วมนะให้มีการลงไปท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยก็ต้องก็ต้องดูนะเนะพราะตรงนี้ในการส่งเสริม เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะ ก, ก็จําเป็ น, นครับนะที่จะให้กระจายไปในแต่แต่ละจังหวัดนะ ซ, ซึ่งตรงนี้นี่ก็กําลังมีการรณรงลงกันอยู่นะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางคมนาคมการเชื่อมโยงก็ต้องจําเป็นนะครับนะการปรับปรุงสนามบินรวมทั้งการทํารถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงความเร็วางกลางที่จะเชื่อมนะครับโนะดยเพราะเชื่อมกับรถไฟ ความเร็วสูงจากจีนมาลาวนะเราก็ต้องทําทางรถไฟไปเชื่อมนะที่เวียงจันทร์นี่นะครับนะจากหนองคายไปก็ต้องเชื่อมเพื่อที่จะส่งสินค้าไปยังจีนจะได้ง่ายแล้วราคาถูกมากขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะไปแลกเปลี่ยนกันจีนมาไทยไทยไปจีนนี่ก็จะสะดวกนะเราก็จะเห็นว่ารถไฟความเร็วสูงนี่ก็ใช้เวลาเดินทางกันกันไม่มากเราจะประหยัดนอกจาก ที่จะเดินทางโดยเครื่องบินแล้วก็อาจจะต้องเดินทางโดยรถไฟเนี่ยก็จะเ ป, เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นการกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับตรงนี้นะครับรวมทั้งในส่วนของอที่ไทยเรานี่ก็อย่างที่บอกเราส่งผลผลิตผลทางการเกษตรไปจีนอันดับหนึ่งก็คงเป็นทุเรียนแหละครับเป็นผลไม้ยอดฮิตนะที่ททตลาดจีนนี่ต้องต้องการอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้อง ปรับปรุงสายพันธุ์ให้ดีที่สอดคล้องกับความต้องการของของต่างประเทศนะอาจจะต้องมีการปรับปรุงสายพันธุ์แล้วกัการในส่วนของการค้าขายกันอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการมาส่งเสริมพัฒนากันกันมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ต้องต่อไปจะมีการเปิดนะตอนนี้มีฟรีวีซ่าแล้วนะครับระหว่างไทยจีนนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นค น, นบ้านเราไปเที่ยวทางนู้นมากคนทางนู้นก็จะมาเที่ยว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 จะกลับมาไม่รู้ว่าเธอจะมารู้ คอยที่ชานชลาที่รักจ๋าจงมาเสียทียืนใจเต้นมาเห็นรถไฟสายบวนฉันยืนรอดูอยู่หลายขบวนทำไมไม่เห็นเธอมีฉันยืนรอเสียเวลาตั้งหลายนาทีหน้าตาก็ดี ไม่น่าโกหกตลกกับฉันยืนชะเง้อตามอคอยเธอกลับมายอดรักจาเธอหลบหน้าไปไหนกันฉันยืนรอรอด้วยใจไวหวั่นใยเธอกลับมาแปร